อ oh, ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธรชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะนำเรื่องสารพะสูตรในติกานิบาตอังคุตริกายปาเสนอแด่ท่านผู้ฟังมีใจความโดยสรุปว่าสารพะปริภาชกนั้นได้เคยเข้ามาบวชเป็นภิกษุอยู่ระยะหนึ่ง แลวต่อมาก็กลับไปเป็นปริภาชกเหมือนเดิมออกไปพูดอยู่ข้างนอกว่าธรรมะาในทางพุทธศาสนานั้นถ้านได้ศึกษาเจนจบรอบรู้หมดแล้วก็ไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรจึงต้องหลีกเลี่ยงมาคือไม่ยอมอยู่ในาศาสนาต่อไปท่านไปพูดไปประกาศ ไว้ในหลายที่หลายแห่งพระภิกษุที่ไปไ ป, ไปบินตะบายก็ได้ยินข่าวคราวเหล่านั้นเกินว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็เรียกว่าเป็นประประว่าที่คือเครื่องกล่าวจุ่งจาาพระพุทธศาสนาคนบวชมาไม่กี่วันเนี่ยมาแตกฉานได้ยังไง ในสุดท่านเหล่านั้นก็มักเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลในทรงทราบเราขออาราธนาให้พระเจ้าเสด็จไปสู่อารามของสัพยะสรพระปริพาชกที่ริมผางแม่นาม้าสปินีี่กรุงราชฤทธ์นั่นเองพระเจ้าทรงรับด้วยรุษณีปพระตกตอนเย็นก็เสด็จไปเยี่ยมี่สานักของ สรารพะปริพาชคอาศัยอยู่ ก, ก็มีปริพาชคอยู่ไปนนบ้ากก็รับสั่งสอบถามว่าข้าว่าท่านไปพูดว่าท่านรู้แตกฉานในธรรมะทางบุษานาเราเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรจริงในอดิกเลี่ยงมาจริงหรือเปล่าสรารพะดปริพาชคก็เฉยไม่ยอมตอบ ระับสั่งซักว่าให้บอกมาให้หลองชี้แจงมาดูว่าเข้าใจว่าอย่างไงถ้ายัางไม่ถูกต้องสมบูรณ์ไปจะเพิ่มเติมให้ถ้าสมบูรณ์อยู่แล้วก็จะอนโมทนาสรพาก็ยิ่งไม่ยอกตอบใจก็ถามกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ยอกตอบในสูุก็นั่งกบหน้าผู้ปรีพาชกทั้งหลายเหตุาการณ์ของสรพัเช่นนั้นโอกล่าวตำหนิ เพเมื่อก่อนในกล่าวประกาศท่าทายวิธีการต่างๆแต่พอพระเจ้าเสด็จมาจริงก็ทําก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมชี้แจงอะไรแล้วก็กล่าวตําหนิแรงๆนะกล่าวตําหนิว่ามันเหมือนกับสุนัขกิ่งจอกเหมือนกับสุนัขป่าสุนัขบ้านต้องการที่จะบรรลือเสียงให้เหมือนราชสีห์แต่พอเสียงออกมามันก็กลายเป็นเสียงสุนัข เหมือนกระไก่ตัวเมียที่ต้องการจะขันอย่างไก่ตัวผู้ขันก็จริงมันก็เสียงไก่ตัวเมียเป็นต้นก็มีคำอุปมาแตบแสบหลายคำอันนี้ปเป็นเป็นข้อความโดยสรุปซึ่งประสู์ในลักษณะนี้เป็นการเชียวเห็นถึงการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในรูปที่ เคยบอกว่าทรงมีพระพุทธปณิธานหรือทรงตั้งไว้สี่ประการคือจะให้การถึกษาแก่พุทธบริษัท ต, ตั้งหลายจะเชิญชวนเชิญชวนให้พุทธบริษัท ต, ต้งหลายได้พระพุทธปฏิบัติตามหลักของพระสัทธรรมให้พุทธบริษัทได้ช่วยกันเผยแผ่ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมก่บุคลอื่นโดยพิสดา่ เวลามีปัญหาเกิดขึ้นเรียกว่ามีป ร, ปรับราวะเกิดขึ้นเพื่อ้ผู้ตบริษัทสามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในยุติลงในความเรียบร้อยเสียก่อนเรีร้อก็จะไปนิพพานมันตรงนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องของการให้การศึกษากับเรื่องของ ก, การแก้ป ร, ปรับภาวะแต่ข้อความในตอนต้นซึ่งท่านเล่า ข้อความในตอนตอนแรกนี้ก็เรียกว่าข้อความที่ปรากฏในพระสูตรคือกาวโดยสรุปแต่ข้อความในต้นต้นๆจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นจากการประรบของพวกนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่เขามาประชุมกันในหลายลัทีเกรี่นว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เผยแผ่ศาสนาเข้ามาในกรุงรชาชครืเนี่ย ก็าทำให้พวกเขาเสื่อมลาบตกการะชื่อเสียงประชาชนที่เคยให้การยอมรับนับถือศรัทธาเขาก็เป็นลูกศิษย์ขอพรเจ้าเยอะมากนี้เขาก็ตกต่ำเสื่อมคนที่เคยเคารพนับถือก็ไม่เคารพนับถือคือในกรุงราชเ จ, จ้าคืนันเป็นแหล่งประชุมใหญ่หสมัยโบราณพวกณาจารย์เจ้าลัติคือครูทั้งหกเนี่ยมันจเจริญเติบโตอยู่ใน ในกลุ่มราชครึ่ก็ก็ไม่ใช่กรุงราชครึ่งเราแฝงนนางคะกับแฝงมังคตตุดสองแคฝนใหญ่สำนักใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แเรวก็ส่งลูกศิษไปเผยแผ่และทีิคนตัวเองในส่วนต่า ง, างๆในชมพูชวีแต่ตัวตัวสํานักเนี่ยมันก็อยู่ที่ทแคฝนมังคุดแต่พอพระเจ้าเสด็จเข้าไปเราลองนึกดูนะฮะตอนเสด็จเข้าไปก็ไปถึงก็เอาพวกพระเจ้าปิมิสารกับริวารมาตั้งแสนสองหมื่น และมีหนามอานักบวชในรัตทิของสนชัยบริพาชกเข้ามาอีกทั้งสองร้อยห้าสิบแล้วพวกผูกช้ชนดินมาอีกตั้งหนึ่งพันเอาความเอานักบวชมาทั้งสองรัตทิแล้วเอาพวกกษัตริย์พวกพราหมณมาอีกตั้งแสนสองแล้วคนเรานั้นก็ดึงคนมาอีกจำนวนมากมากและการเผยแผ่เป็นเวทีใหญ่ที่มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในกรุงรัชช์รึ พระบูชาลาน้เองก็ถูกฆ่าที่ที่กรุงราชเครือพระพุทธเจ้าเองก็ถูกปลุกระดมถูกใส่ร้ายเยอะที่กรุงราชเครือเนี่ยก็เนี่ยคือพวกนักบวช น, นอกศาสนามันเกิดริษยาในการทํางานได้ผลดีของพระพุทธเจ้ า, าก็ประชุมกันประชุมกันเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงคือถ้าปล่อยไว้เนี่ยในสุดเราก็จะตกอันดับปะนะ ในสุดก็บอกว่าพวกพระพุทธเจ้าเนี่ยเ็าเรียกว่ามีมีมายามนคือมีมนที่เสกเป่าแล้วก็กลับใจคนให้มานับถือได้โดยพวกนี้เล่าว่าเวลาถึงวันสิบห้าคำเนี่ยพระสงฆ์ประชุมกันในโบสถ์แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างหมดก็ร่ายมนกันเป็นการใหญ่ คนก็แม้แต่สามเอนก็เข้าไปไม่ได้คารวะก็เข้าไปไม่ได้พระสงฆ์ก็ทำบิณฑีไร่หมุนก็กลับใจคนก็คล้ายๆกับไอ้เสกกระหม่อมอะไรคือก็มองในแนวแนวนั้นที่จริงก็คือวันปาฏิโมกข์นั่นเองแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนี่ยกว่าพระก็ทำปาฏิโมกข์กันตรงนี้เราเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่า การมองปัญหาต่างๆหรือที่มาของข่าวต่างๆโดยความไม่รู้เห็นทำความเป็นจริงนี่จะใช้ข่าวลือเป็นเครื่องมือในการตัดสินมนุษย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วจะพูดอะไรจนเกินจริงไปในสุก็กลายเป็นอาการทึกทักเลยพูดจากปากสู่ปากก็ว่าไปเรื่อยเื่อเรื่องซึ่งมีมูลไปอย่างหนึ่งมันก็ขยายไปเป็นอย่างหนึ่งตามพื้นฐานของคนที่รับฟังข่าว ว่าเขามีอาคติอะไรขนาดไหนพวกรักก็พูดไปอย่างพวกช่างก็พูดไปอย่างนะพวกโง่ก็พูดไปอย่างพวกกลัวก็พูดไปอย่างก็ว่ากันไปเพราะแนวตรงตรงนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าถูกกล่าวหาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีครั้งแรกหรอบางแห่งก็เรียกว่าอาวัตตีมายาเปลรตว ม, มุนที่กลับใจคนเขาดาบพระพุทธเจ้าว่าอย่างงี้ ก็กล่าวหานะฮะก็กล่าวหาใส่ร้ายก็สร้างข่าวลือขึ้นปัญหาว่าจะจะไปแก้ไขยังไงในสุดที่ประชุมก็ตกลงกันว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยควรจะเข้าไปทำลายพิธีบุญเขาไปทำลายพิธีมนต์มายาเหล่านั้นก็พูดไปพูดมาก็แบบหนูปรึกษาเจ้าลูกกระปวนฝุ่คอแมวนะฮะแต่ก็หาคนไปไม่ได้ ในสุดก็เสนอเป็นรูปของหลังวันว่าใครก็ตามที่ไปดำเนินการเรื่องนี้ให้ประสบความสาเร็จเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหรือยกย่องให้เป็นหัวหน้าในสุดสารพะปริภาชกซึ่งก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปริภาชกนะฮะปริภาชกก็เป็นนักบวชชุดนุ่งขาวหุ่มขาว เป็นพวกอาจเจยลกเป็นพวกชดดนินเป็นพวกฤาษีเป็นพวกดาบดเป็นพวกนักพรตก็เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมามาประชุมกันแต่ว่าคนที่อาสาชุดนี้เป็นพวกปริพาชกเขาก็ถามว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะรับอาสาไหมแต่พระก็บอกอาสาจะมีข้อแม้ว่าพวกคุณต้องให้ผมเป็นหัวหน้านะทำงานเสร็จแล้วก็ตกลงเขาก็ยอม แกก็วางแผนเขาทเทนะฮะซึ่งแผนเหล่านี้เป็นเรื่องที่น้าที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันก็ยังใช้ยอยู่คือบอกว่าการที่จะรู้ความลี้ลับต่างๆภายในหมู่สงฆ์นี่เราต้องบวชเข้าไปเป็นพระด้วยหรือเข้าไปอยู่รครุขีในที่นั้นนั่นคือแนวปลอมบวชเห็นว่าใช้มาตั้งแต่พุทธเจ้าสตสรุปใหม่ๆกับใช้มาตั้งแต่นน้์น่ะ หรือเข้ามาแล้วก็ไปสอดแนมไปศึกษาก็แล้วแต่จะใช้รูปแบบตรงนี้ใช้ไปในทางอะไรตัวนี้ใช้ไปในการศึกษาสังเกตเพื่อจ้องจะจับผิดเพิ่มปรึกษากันว่าไม่ไม่สามารถจับผิดพระพุทธเจ้าได้ในสี่ทางเรียกทางกายทางวาจาทางใจกับทางอาชีพหมายความว่าจุดอ่อนมันไม่มีอะไร ไปดูทางวาจาดูคําพูดก็ไม่มีจุดที่จะตีดูอาการกายาก็ไมีจุดจะตีดูความคิดก็ไม่มีจุดจะตีดูอาชีพการเลี้ยงชีพของพระเองก็ไม่มีจุดจะตีเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือจุดที่เราจะตีคนเนี่ยนะฮะจุดจะตีเนี่ยมันมันยังจุดของผู้ปฏิบัติธรรมเรือจุดศีลจุดอาชาระจุดความประพฤตินะฮะจุดความประพฤติแล้วก็จุดอาชีพ อาชีพขอท่านเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดความเห็นความเห็นวิปริลที่ก็เรียกว่าวิบัติสี่อย่างศีลวิบัติอาจาราวิบัติอาชีววิบัติทิฐิวิบัติมาความว่าผิดศีลเนี่ยมันมันมันเป็นจุดตีตีได้ง่ายแล้วก็อาจาระไม่เรียบร้อยนะไม่ ไม่ได้ร้อยรูปไปในสถานที่ที่ไม่ไปใช่เดียบทที่ไม่เหมาะไม่ควรในที่นั้นๆแล้วเขก็จับภาพในสมัยนี้มีกล้องเยอะนะฮะเขถ่ายภาพมาสักภาพหนะึ่งหรือการเลี้ยงชีพของท่านหรือแม้แตตัวความเห็นของท่านตรงเนี้ยคล้ายๆกับความเห็นเรื่องไอ้สอปรกอรในปัจจุบันจะตีกันตายในเห็นนะฮะจุดเดียวแต่จุดความเห็นท่านลองสังเกตุความเห็นนิดเดียวแต่นั้นเอง ความเห็นที่จริงมันประโยชน์สั้นๆเบดนี้เธอเขเล่นกัแต่ว่าเป็นจุดที่อันตรายมากทิฏฐิเขาเรียกทิฏฐิคือความเห็นนี่ก็เหมือนกับที่มีพระรูปหนึ่งนี่พูดว่าค่าคอมนิดไม่บาปแต่แก้กันตั้งหลายปีเห็นไหมประโยค์สั้นๆแต่นั้นเองประโยช์สั้นๆประโยชน์ทิฏฐินี่อันตรายมากแต่ผู้จ้าเอาอะไรแต่นั้นไม่ได้ไม่ได้จับตรงไหนไม่มีความบกพร่อง ว, วิธีที่เขาคิดก็คือไปทําลายตัวมนตรงนี้เขาคิดว่ามีมนจริงนะเจ้าต้องไปทําลายพิธีตัวมนตรงนี้การจะฆ่าไปทําลายมนเราต้องฆ้าไปใกล้ตัวใกล้ตัวเรื่องก็เลยก็ปลอมบวชเข้าไป ก, ก็ก็ไม่ใช่ปลอมบวชน ะ, ะที่จริงเนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างนิ่มนวลมาก ไปถึงก็ปฏิบัติเรียบร้อยซึ่งตามปกติแล้วพวกพวกเหล่านี้จะทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์ด่าว่าค้อนแคะตาหนิตีตัวรวนเรื่อยๆนะเจอพระแล้วพระก็ถูกด่าเรื่อยนะแต่ว่าปฏิภากคนนี้เข้าไปถึงสำนักนี่กราบเรียบร้อยเลยนั่งประดมมือพูดเลยมารายาเห็นไหมมารายาสาธยะ สารำพระในแข่งดีโอ้อวดเสส้งมายาทำอย่างเนี้ยเป็นปกติตมีพระเทรารูปหนึ่งท่านนี้เออคุณนี่เรียบร้อยดีเนี่ยคือแสดงว่ามีศรัทธาต้องการจะบวชหรือเปล่าตอนนั้นมันยังไม่มีกฎเกณฑ์นะยังไม่มีกฎเกณฑ์ยังพุะอาายังไม่ได้บัญญัติวินัยที่ห้ามบวชนัก บ, บวตต่างศาสนาในเวลาที่รวดเร็ว ต้องตรวจสอบเสียก่อนท่านบอกว่าก็คิดจะบวชแต่ว่าไม่มีใครจะบวชให้ตามดิจิตรูปนั้นก็จะการบวชให้คือสมัยก่อนมันก็บวชตอนต้นๆนะไฮโรเจนว่าตอนต้นๆเือพระรูปเดียวก็เป็นอุปชาให้ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นเหตุการณ์ตอนต้นๆพุทธสมัยที่เผยแผ่อยู่แถวกลุ่มราชชุกโอ้เจ้าก็คงประชาชนอายุยังไม่มากอ่ะตอนนั้นก็คงไม่ถึงสี่สิบหรอ ก็เน้สืดทั้งก็บวชบวชอาจารย์ก็ให้การอบรมสั่งสอนแกก็สอบถามแกก็ศึกษาไปเรื่อยจนเข้าไปที่ที่อุโบสถในพิธีกรรมอุโบสถก็สอบถามอาจารย์ก็บอกก็เป็นปาติโมกปาติโมกก็คือคำสอนที่เป็นหลัก เต่ขอเรียนอาจารย์ก็ให้เรียนนะแต่ที่นี้แกจะเรียนวันสองวนันมันมันไม่ได้ปฏิโมกมันท่องท่องอย่างเร็วใน15สิห้าวันนะนะแต่ท่องจริงท่องจริงๆเลยเนี่ยก็สิห้าวันได้ว่าท่องปากใช้เวลาสวดเราสักสี่สิบห้านาทีนที่สวดในปฏิโมกษนแต่ลวัน เราตั้งใจทอ่องจริงๆอดใจสู้ท่องวันละเจ็ปดชั่วโมงนะสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยมันก็จะใช้ละสิบห้าวันึงได้ก็จำยากอยู่พลงานท่าตั้งกตท่องไม่จุบในลูกศิษย์มันก็เร่งรัดเป็นไงอาจารย์ได้วิธีทำลายมนระยังได้ระยังแกบอกก็รอก่อนเดี๋ยวก่อนในสุดมันเห็นว่ามันมันไม่มีอะไรที่เป็นจุดจะทำได้ แต่ว่ารับอาสามาแล้วเนี่ยต้องวางมากได้ใหญ่หน่อยไอ้สุก็หลบไปเราไปอยู่ที่ริ ม, มน้ำสับ ป, ปินีที่อาสมของพวกบริพารจบก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้คำสอนของพระสมณะสักยบุตรนะฮะเขาก็ไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าโดยตรงหรอกเขาว่าสมณะสักยบุตรคือต้องหมดอนะั้งหมดเนี่ยเขารู้หมดแล้ว ก็ไปคุยโม้โอวดในที่ต่างๆพวกปริพาชคก็ยกจ้องนับถือท่านเพราะว่าตกลงสัญญากันแล้วว่าจะให้เป็นเป็นวูด้านะฮะเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรคือถ้าไม่ได้แสดงอะไรต้องวางมาตวางองค์ภูมิมืาก่อนที่จริงก็ไม่มีภูไม่อมมานะฮะแต่ก็วางวางไว้เงี้ยเราก็เห็นภาพอย่างหนึ่งของของสังคมที่ว่าทุกหลอกได้ง่ายๆ แสดงกิริยาท่าทางตอยคำสมบูรณ์โบหานลีลาต่างๆเนี่ยมันก็สร้างความศรัท ธ, ธาสรางการอยอมรับราบตือบางเกิดขึ้นได้สมับคนบางพวกต่อมาท่านก็เที่ยวเที่ยวคุยโอวด อ, อย่างนี้ว่าท่านจะบรรลือเสียนาฏบรรบรรลือเสียนาฏหมายความเหมือนกับพระยาราชสีคำรามนะเสียนาฏเนี่ยก็จริงก็ใช้ กับคนระดับพระพุทธเจ้าหรือระดับพระเจ้าจักรพรรดิบรลลือเสียนาฏประกาศด้วยความโองง傲กล้าหาญคืยแสดงในความกล้าหาญความเชื่อมั่นในเรื่องหล่านั้นก็ได้ตกกลงคืนในพระเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกแล้วก็เห็นว่าจากการที่อ๋อไม่ใช่คือเขาจะประกาศประกาศสนิยกรรมคำว่าประกาศสนกรรมคงได้ยินนะนะทีทีประกาศแก่พระเทวะโพธิรักษ์บรรกอนั่นนะแนวประกาศสนิยกรรมมันเขาประกาศ ก็ประกาศว่าวันพรุ่งนี้เขาจะประกาศเสนกรรมคือประกาศความไม่ดีไร้าสาระในพุทธศาสนานี่ให้ประกวดกับชาวบ้านให้ชาวบ้านมาไปชุมกันก็ตั้งป้อม ท, ท, ที่ที่ที่อาสมที่สับ ป, ปินีนะก็เรียกร้องเชิญชวนในชาวบ้านมาระชุมกันชาวบ้านที่เ ป, เป็นเป็นพวกนอกลทัทธิคือพวกเขาอยู่แล้วมันก็มานะมาด้วยความเชื่อมัน่นก็แคร์พระพุทธศาสนามานานแล้ว แต่พวกสมาทิทีิเองเขาก็รู้ข่าวเขาก็อยากไปเหมือนกันก็ อ, อยากดูว่าพูุ้ทธเจ้าจะมีลีลาในการแสดงธรรมะตรงนี้อย่างไงมันเรื่องใหญ่นะจึงญ่เป็นสงครามนะฮะเป็นสงครามใหญ่ที่จะต้องต่อสู้กันซึ่งซึ่งซึ่งให้เราลองสังเกตอย่างหนึ่งเนี่ย แนวตรงนี้ถ้าเรามองแนวบริหารพระศาสนาหรือแนวบริหารบ้านเมืองก็เรียกเป็นแนวรัฐศาสตร์แล้วมันไม่ใช่แนวธรรมปฏิบัติคือจะต้องมีการชี้แจงจะต้องมีการพูดกันให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ยกของทัพไปรบหรอกแต่หมายความมาเป็นชี้แจงกันไปเรื่องทิฏฐิคือเรื่องความเห็นเนี่ยไม่ใช่ปล่อยประละเลยพระพุทธเจ้าจะไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยพรเรื่องตรนี้เกิดจะเสด็จไปแล้วจะแก้เองด้วยนะฮะจะแก้เองไม่ใช่เรื่องธรรมดา ยันที่เคยเล่าเรื่องในบทพาวหุงที่เราสวดในพิธีบงคลนะฮะพาหุมสหัสอะไรที่เราสวดเนี่ยเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ที่สัจจะนิครณมาโต้พระเจ้ามันก็คือเรื่องของอนัตตาอั น, นั้นค้านตรงๆค้านตัวทรงมาเลยหรือที่พระเจ้าเสด็จไปทรมานพระ ก, กาพุ่มมันก็เรื่องอนิจจังคือว่าค้านเรื่องอนิจจังพระเจ้าก็ต้องเสด็จไปชี้แจงแนวชี้แจงในจริงเป็นแนวหลัก เพราะว่ามันสร้างมิจฉาทิฏฐิขึ้นในสังคมถ้าไม่ชี้แจงแล้วเราอย่าลืมว่าเรื่องบางอย่างเป็นความผิดเฉพาะตัวก็ชั่วเขาคนเดียวฮะเขาดีเขก็ดีเขาคนเดียวแต่พ้าเรื่องของทิฏฐินี้พูดวิปริตออกไปนี่มันดึงคนให้เชื่อตามแล้วก็สร้างความมิจฉาทิฏฐิให้เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยคนนี้จึงถือเป็นอันตรายที่พระเจ้าทรงเรียกว่าเป็นสุดยอดของหมาโจรในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะตัวแกดีก็ดีของแกแกไม่ดีก็ไม่ดีของแกนะยังข่าวอะไรที่เช่นเช่นสมมุติว่าพระเรื่องเรื่องประราชิกที่ว่าเนี่ยนะะเาจะเห็นว่าที่จริงว่าเรื่องส่วนตัวนะะแกตกนรกคนเดียวซะจริงอ่ะตกนรกคนเดียวไม่ได้ดึงใครไปด้วยเลยไม่ดึงใครไปด้วยเลยแต่ว่าถ้าไม่ฉัติทิมันจะดึงคนไปปาสันยามเทวทัตเนี่ยนะะท่านทำเพี้ยนเพี้ยนคนทําตามท่านไปเนี่ยมัน อู๋มันเดือดรอนกันแย่เลยนี่คืออันตรายถ้าไม่รีบแก้ไขเพราะคนจะไปเชื่อตามนั้นและปฏิบัติไปตามนั้นจะไปกันใหญ่ติดใจนั้นต้องการอนุเคราะห์ชาวโลกแล้วก็ทรงมองเห็นว่าคนจะมาประชุมกันนี้เป็นจานวนมากแล้วเป็นโอกาสที่พระองค์จะได้แสดงธรรมที่แจดงความถูกต้องให้เกิดขึ้นแล้วก็ผลดีงามมันจะเกิดขึ้นแก่แก่คนทั้งหลายเป็ น, นมาก ทีนี้ปัญหาว่าการเสด็จในแนวนี้เสด็จไปยังไงดีจะเอาพระสงฆ์ไปมากมากดีไหมมันก็ไม่ดีอะเพราะคนก็จะกล่าวหาว่าสมณะโคดมเล่นพวกมากลากไปนี่ว่ายกจะตุรงไสนามาเต็มเมืองอย่างนี้มันมันไม่ได้อะเพราะแนวนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าจะเสด็จลำพังลำพังพระองค์ กรทรงพิจารณาเห็นว่าภาระหนักเวลาเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของพระองค์มาตลอดในภบชาติต่างๆแล้วก็มาย้อนถึงในชาติหนึ่งที่พระองค์เกิดเป็นโคนเกิดเป็นโคแล้วก็คือมีมีพวกพวกคารวานน่ะเขามาแล้วก็แม่โคมันเกิดคลอดลูกอยู่ที่บ้านผู้หญิงแก่คนหนึ่ง แล้วผูญงแก่กว่านั้นก็ขอลูกโคตัวนั้นไวเ้เลี้ยงเลี้ยงโมโตใหญ่แข็งแรงมากชื่ อ, อกาล ะ, ะต่อมาเนี่ยก็เลี้ยงอย่างดีนะฮะต่อมาก็มีกองเกวียนเข้ามาแล้วก็เกวียนมาเกิดลากไม่ได้โคเขาลากไม่ได้ก็มาขอเอาโคกาละเนี่ยไปลากลากขึ้นมาได้แล้วก็ ให้รางวัลเป็นเงินห้าร้อยกะหาปนักโคก็เอาของนั้นามาเงินนั้นมาให้มาให้ผู้หญิงที่เลี้ยงเขาก็แสดงว่าภาระการนำหนักแม้แต่เรื่องโคนั้นที่วิสาในจริงไป็นเรื่องของโพติสัตว์นะนะโคนันทิวิสาได เ, เ, นะ เ, เคยลากของหนักแถือว่าเป็นภาระของบูชาที่จะต้องทำงานตรงนี้ในสุดก็เสด็จไปโดยลำพัง สมภารข้อความในพระสูตรตรงนี้ตอนที่รับสั่งเตือนท่านสารพะปริภาชกเนี่ยหมายตอบแสดงความคิดเห็นมาว่าที่รู้ทั่วถึงทำเข้าใจยังสองแท้เนเข้าใจว่ายัางไงคืออธิบายฟังหน่อย <laughs> ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้าเข้าใจจริงๆก็จะอนุโมทนาถ้ายังบกพร่องก็จะเพิ่มเติมให้แต่เข้าใจผิดก็จะชี้แจงชี้แจงให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรหรอก แต่วันี้สรารภาพท่านไม่ยอมตอบอะไรเลยก็นั่งคอตกก็เรียกว่าอะไรนั่งนั่งนั่งเอาเ อ, าอาหัวนี่ซุกไปที่เขา่าอ่ะนั่งนั่งยองยอเน่ยหัวซุกไปที่เขา่าก้มหัววางบนเขา่าพระเจ้าบอกว่าธรรมดาเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยคนที่อ้างอย่างนี้ที่จริงมีเยอะนะมีเยอะนะ่ะเราเคยเจอตอนที่พูดเรื่องมหาามาสีนาตสูตรเราก็เคยเจอสุนขคาตะลิชวอมันก็เป็นอย่างเงี้ย ออกมาเป็นอย่างเงี้ยบวว่าไม่กี่วันออกไปโมโ ย, ยข้างนอกอะ่ะท้าทาทยพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่คัดค้านพระองค์ทรงยกมาสามเรื่องนะฮะที่จริงพระพุทธเจ้าทรงก็เรียกบรรลือเสียนาฏประกาศรภมาจักในสี่เรื่องในสี่เรื่องใหญ่ๆคือหนึ่งปัตญาณสถานะานาของพระองค์ว่าเป็นอรหันตสมาสุตถะ พถ้ารมที่พระอาหารหันตสมาสัมพุทธ h จะต้องรู้แล้วพระองค์ไม่รู้เนี่ยพระองค์ก็จะไม่ปฏิญาณแต่พระองค์รู้พระองค์จึงได้ปฏิญาณเพราะฉะนั้นใครสงสัยข้อ น, นี้ก็พร้อมจะชี้แจงอธิบายเกิดความเข้าใจพระองค์ปฏิญาณว่าเป็นอาหารหันตสมมาสัมปุทธ h a ไปแยกเป็นนานตะขีณาสกขีนาสกแปลว่าอัตวะหมดไปแล้วนะกิเลสหมดไปแล้ว ก็ยังยังยังนึกถึงพุทธรวัดลาวที่สมเด็จพระพี่นางสมเด็จลาวนะฮะที่ที่ที่มีภาพกิจกรรมความบันทังินดีมากน่าไปดูลาวทุกทีรู้สึกว่าลาวเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะเงี้ยบอกนางทหาราคาระตรีที่มาโยโยนพระพุทธเจ้าเนี่ถูกสาบไปเป็นหญิงแก่เดินถือไม้เท้าของเราไม่มีนะฮะของเราไม่มีในของลาวเนี่ยเขามีเขาแปลกๆแล้วแล้วก็มีตำนานของเราที่ที่ที่ว่าเนี่ดีมันเอาไปจากพุทธรวดนะะ แต่มันไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะหนังสือเนี่ยคือแสดงว่าเขาใช้ใพวกปรำปราเนี่ยเยอะแนวนิทานปรำปราปราคคกคล้ายๆกระประธาตพนมนี่ยเขาทอดไปทางโน้นเราจะเห็นว่าได้มาตั้งแต่ปศ ส, สี่ได้มาตั้งแต่พศ ส, สี่นะพระธาตพนมตึงว่าที่จริงยังไม่มีการแจกธาตจากเพื่อหลายปศสี่มันมันเขาเพิ่งแจกพระธาตมาปศเกือบสามร้อยแล้วนะฮะแต่ว่า นั้นก็ได้เป็นทางยปกสีแล้วก็เป็นเป็นอะไรอะ่ะพระเป็นอุรังคธาด้อะไรก็ว่าพระาธาตุที่ที่ส่วนอกก็มีตำนานแนปรังปรายอยเยอะก็พระองค์ปฏิญาณว่าเป็นขีณาศพหมายความมีอาสวาสิ้นแล้วมันมีอะไรก็ตามที่ยั่วให้เกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโบหะเนี่ย ทำยังไงก็ได้นะมันไม่เกิดจะค่มคู่คุกคามจะยัวย่วยุวยัยวยวนวิธีการต่างๆนั้นกิเลสเหล่านี้ไม่เกิดก็แสดงออกเป็นขี้าสุจริงๆอสะวสหหมดไปแล้วจริงๆแล้วก็ทำอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงแสดงว่าสามารถที่จะช่วยผู้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ได้จริงๆถ้าช่วยไม่ได้พระองค์ก็ไม่แสดงเพราะงั้นตรงนี้มันวันพิสูจน์ได้ตลอด ตัวเขาปรองเองก็พิสูจน์ได้ธรรมะนี่ก็พิสูจน์ได้แต่ว่าที่จริงแล้วพูดถึงทางเสื่อมด้วยแต่ผู้นั้นไม่ได้ค้านทางเสื่อมที่มันค้านในมันค้านมันไม่มีสาระค้านว่าคำสอนพุทธเจา้าไม่มีสาระที่ออกไปคุยโมยข้าง น, นอกกันนะเพราะกานพระพุทธเจ้าจึงบรรลือแค่แค่สมข้อท่านสารพระเองเมื่อรู้ข่าวว่าพุทธเจ้าจะเสด็จ แต่การเสด็จเป็นการเสด็จที่แปลกนะฮะยังยังที่เคยเล่าว่าถ้าแนวนกรณีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้วิธีที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหารนะอิทธิปาฏิหารอธิษนาปฏิหารนรสาสนิปฏิหารจะใช้เต็มที่เลยเวลาเสด็จไม่ได้เสด็จลำพังแต่เล่นฉับพันรังสีเลยเปร่งฉับพันรังสีด้านลว่าเป็นลําแสงล้อมโรงไปด้านลว่าเด็จโดยลำพังเพราะคนทุกคนในตามันจะพุ่งมาที่ลําแสง พุ่งมาที่ลำแสงมันจะเกิดทึ่งเกิดอศัศเซจั์ใจมันจะคิดไปเรื่องอื่นเป็นการเบี่ยงเบนความคิดของคนที่มองในแนวของการมุ่งร้ายก็ดีอะมุ่งร้ายก็มีนะฮะต้องการที่จะซ้ําเติมพระเจ้าก็มีอะไรก็มีเพื่อดึงดจิตคนเหล่านั้นอย่าทําบาปเป็นวิธีการนะฮะที่จะช่วยคนซึ่งไม่น่าถือพระองค์ตอนโปรดพระองค์กุลิมานก็เปร่งเจ้าพันลางสีอย่างนี้เปร่งเจ้าพันางสีเป็นลำแสง แต่ตามปกติเขาก็เป็นเป็นพระธรรมดานะเครับเจ้าก็กสเสด็จไปแบบคนธรรมดาธรรมดาเว้นไว้แต่มีปัญหาใหญ่ใอย่างนี้จะเจงจะเรล่งจะพันรังสีพวกปริพาชกพวกนักบวชทั้งหลายพอเห็นก็โอ้โหมันไม่เคยเห็นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเห็นสายตาบางคนเพ่งมองมาตรงนี้มันจากความรู้สึกเดิมอะไรก็ตามนะพวกที่เลื่อมใสแล้วมัเลื่อมใสยิ่งขึ้นมันไม่เคยเห็นเหมือนกัน แล้วพวกที่เคยโกรธเคยเกลียดเคยหลงผิดเคยเข้าใจผิดอย่างน้อยเนี่ยเขรู้สึกทึ่มรู้สึกกับอาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยทำไม่ได้อาจารย์เราก็ไม่เคยเห็นอาจารย์เราจะทําได้หรือไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้ศรัทธาที่เคยมีต่ออาจารย์มันจะลดลงไปบางครั้เป็นความครียดแปรสงสัยเจะได้ถืออาจารย์ตัวเองมากเกินไปมันก็ลดลงไปเป็นวิธีการเป็ น, เ ป, นเป็นจิตคิดอนุเคราะห์ต่อชาวโลกว่าจะเริ่มตรงไหนก่อน เห็นไหมตอนนี้อิทธิปฏิหารและใช้อิทธิปฏิหารแนวตรงนี้ถ้าเราลองสังเกตดูไว้ตลอดถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธิศาสนาอื่นแล้วจะใช้แนวอิทธิปฏิหารก่อนคือแสดงความเหนือกว่าก่อนไปโปรดโบราณในช ด, ดินอะไรอะไรเห็นนะฮะจะใช้แนวอิทธิปฏิหารท่างต่างเลยแล้วก็เมื่อพุตรเจ้าเสด็จเข้าไปเนี่ย สรารภาพาแกบอกว่าแกจะบรรลือเสียนาฏต้ารู้ว่าเจ้าทำหนึ่งแกจะทำสองพระเจ้าทำสองแกจะทำสี่พระเจ้าทำํำว่าไปเรื่อยตัวยี่สสามสิบว่าเลยแต่คุยโม้ใหญ่นะะคุยโม้ใหญ่มันก็แบบแบบอะไรแบบสัจจะนิครณดิโม้เคยเล่านะฮะสัจจะนิครณหรือว่าอารอกยักษ์ที่เคยคุยโม้โ อ, อ้วอดอย่างเงี้ยธรรมดาเขา พอพระพุทธเจ้าประกาศตรงนี้ให้พิสูจน์ตรงนี้สามจุดพิสูจน์ความเป็นอหันตสมาธิมุทะพิสูจน์ความเป็นขีณาสพิสูจน์องคธรรมว่าตรงนี้ที่แสดงว่าเป็นทางให้ประสบความสุขเนี่ยเป็นประสบความสุขได้จริงไหมให้พิสูจน์กันตรงนี้ปรากฏว่าท่านสา ร, รพะไม่ยอมพระเจ้าจึงแสดงธรรมะในแนวที่ก็เน้นไปใน ในสี่เรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งก็คือเน้นไปในเรื่องของก็เรียกว่ากายกตะเอเมตตานะฮะเมตตาเพื่อขจัดความรู้สึกอาคตาพยาบาทเพราะว่าคนกลุ่มนี้ที่มาประชุมนี่ที่จริงเกลียดพระพุทธเจ้าอยู่เยอะนะพวกลูกศิษย์ของนักบวช น, นอกศาสนาในเขาเกลียดพระพุทธเจ้ายเยอะ เพราะทำยังไงถึงให้เกิดน้อยที่สุดเนี่ยเวทีเกียจะไปเบียดเบียนกันมุ่งอนุเคราะห์โดยไม่ได้มองว่าจะเป็นพุทธศาสนิกหรือไม่นี่ไม่ได้เกี่ยวพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวหรอกจะทําทแบบสะเพรตากับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะจะเน้นในแนวของเมตตาเพื่อขจัดความอาฆาตพยาบาทแล้วก็แสดงในเรื่องของราานะ่รง า, ยยร า, า, รางกายนะร่างกายยังตาสติเกลยพิจารณาดูร่างกาย เพื่อจะถ่ายถอนตนาราคะที่มีอยู่ในกายตนในกายคนอื่นให้ลดน้อยลงไปแล้วก็แสดงมรนสติก็เรียกว่าสัจจะให้แสดงมรณสติเพื่อคนจะได้มองชีวิตในแนวเป็นกระบวนการธรรมชาติที่มีการเกิดดับอยู่ทุกขณะและจะดับเมื่อไรมันก็ไม่รู้เพื่อช่วยคนทั้งหลายได้สนับ ชีวิตแล้วก็จะดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทและแสดงอาณาปานะอาณาปานะสติเพื่อแก้ความคิดฟุ้งซ่านแก้ความคิดฟุงดฟ้งซ่านของคนเพราะว่าเวลาการประชุมในลักษณะนี้คนมันมีพื้นฐานต่างกันนะรเราจะเห็นว่ า, ามันก็เหมือนก็ต่าขขายใหญ่ที่คลุมไปหมดเลย คือคนพวกหนึ่มมันยังฟุง้งซ่านอันนี้จริงไม่จริงเท็จไมจริงจริงหรือเท็จแต่ใครเป็นแม่กันแน่นะใครดีกันแน่เวลาประชุมอย่างนี้มันจะคนคนคนจะเกิดอย่างนี้เหมือนตอนพระเจ้าเสด็จไปโปรดพระพิมีสาพิมิ่อโคตรมันก็แนวเนี้ยคนที่เชื่อก็มีคนที่ยังสงสัยก็มีคนไม่เชื่อก็มีคนต่อต้านก็มีนะเพราะฉะนั้นทำยังไงสยบคนลงนี้ ก็มีวิธีแก้แบบตะข่ายแบบตะข่ายครุมลงไปเลยหมายความว่าคนแต่ละคนที่มาประชุมกันมันมันก็ต้องมันต้องเจอนะฮะมาด้วยความมาคาดรยาบาแเราก็แก้ที่เมตตามามาด้วยจิตที่กับหนัดรักใคร่มุ่งไปทางราคะโลภก็แก้ไปด้วยกายกตาสติ คนได้ยังพยองลำพองหึกเขิมคล้ายๆกับชีวิตตัวจะยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่แปรผันก็จะเน้นไปที่มรณสติแล้วพวกยังคิดฟุง้งซ่านจริงไมมจริงจริงไม่จริ ง, ร ง, ร ง, ร ง, รงใครแท้ไม่แท้พระพุทธเจ้าออถูกหรือว่าปริภาชคถูกอะไรแต่ไรเนี่ยพวกที่ยังถือข้างถือฝักถึงฝ่า อ, อยู่ก็ให้สงบด้วยอนาปานสติเป็นการปรับใจคนเพราะแนวการวางธรรมะในแนวนี้อย่างที่ สแสดงเรื่องจัตุรารัารรกกรรมฐานมันก็แนวนี้นะจัตุรารัรกกรรมฐานนั้นเป็นพื้นฐานของคนในเมืองไทยเราที่จริงตรงนี้เราถูกทุกทีเลยถูกทุกทีชาวพุทธไทยอย่างนี้ทุกทีนั่นคือมอณะเอพุทธานุสติให้เราลึกถึงกุลพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะความสตารนเลื่อมใสของชาวพุทธเราที่จริงเลื่อนลอยนะฮะไม่มั่นคง อนุตราจารย์ชิงไหามาก็เฮโลสารภาเข้าไปกวนอิมมาก็เฮโลสารภาไปโยเรก็เฮโลไปอุตลุดไปหมดเลยไม่รู้จะเอาอะไรขอให้ให้เม็ดอินเจแปดเม็ดอินยูเออมากแล้วกันนะนะฮะก็ถ้ามาอย่างนั้นเราจะเฮโลสารพาตลอดนั่นแสดงของความเรื่อนใส่มันเลื่อนลอยมากเลยไม่รู้จะเอาอยัางไง โตห๊หมู่มูชาเต็มไปหมดเลยทั้งดูศีชีะไฟทั้งปวรอิ่มทั้งพระพุทธรูปทั้งพระเกจิอาจารย์เต็ไมไปหมดเลยไม่รู้อะไรนั้นแสดงวอาความเลื่อนใส่มเลื่อนลอยมั น, นก็คือแนวคือแนวนี้แนวพวกฟุ้งสั้นทั้งหลายเนี่ยเป็นความเลื่อนใส่ที่เริ่มน้อยคือเกิดวิจิกิจษากลายความเคร้บแกร่งสงสัยใจไม่สมุบแล้วก็ต่อไปก็เหมือนกันเห็นะคือเมตตาเมตตาก็คือแสดงในแนวที่ มันมีลักษณะคล้ายๆขัดแย้งคือความรุนแรงต่างๆนี่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมากมากจนไม่น่าเชื่อะในวัดงานกระชินยิงกันตายนะอย่างฆ่ากันตายได้งานวัดเองจะมีการฆ่ากันตายด้วยมันมั น, เ ป, นเป็นเรื่องที่แปลกมากนี่คือแสดงในความรุนแรงแล้วก็เน้นที่เมตตาแล้วในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องเพศเรื่องชุดฆ่าอาจารย์อาจารย์เยอะแยะเหมือนกัน ก็สอนในแนวของอสุภะกับมันธนันแล้วก็ประมาทนะประมาทก็สอนในแ น, แนววัติเหเห็นไหมไปไปไปสอดคล้องกันตรงนี้หน่อยสอดคล้องกันเหมือนกันมันเป็นลักษณะตาข่ายคือคลุมลงไปในต้องถูกอะ่ะต้องถูกคนเพราะแท้ที่ไหนก็ต้องมีคนประเภทนี้อยู่ในที่นั้นทุกแหก่ง มีคนลักษณ ะ, ะที่ความศรัทธาเริ่อมายเดือนลอยมีลักษณ ะ, ะที่เกลียดแค้นนะคาขัดพยาบาทมีละะักษณะของความกาวรัาเพลิดเพลินในรงทั้งหลายดุขมุม อ, มอประมาทเนี่ยจะต้องเจอในลักษณะ น, นี้เพราะธรรมะที่ทรทงแสดงในครั้งนั้นก็คือแสดงแสดงแก่คนทั้งหลายโดยในยะนี้เพื่ออะไรเพื่อลดความรุนแรง ของคนคือปรับจิตคนนะฮะปรับจิตคนไปตามถงควรคล้ายๆกับอาการป่วยทางจิตก็วางยาไวสีขกานยาไวสีขนานแล้วมาสรุปที่อนาปาอนาปานสตินั้นเราจะเห็นว่าเป็นการดึงจิตให้มาสงบอยู่กับอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกทําใจเป็น ก, ากลางๆไม่เกี่ยวกับคนกษัตริย์แต่มันเกี่ยวกับลมของเราคือลมหายใจของเรา คือถ้าพุทธานติมันก็พุ่งไปหาพระพุทธเจ้าหรือว่าเมตตา ม, มันก็ทุ่งไปหาคนอื่นสัตว์อื่นซึ่งใจเราบางทีไม่พร้อมยังไม่พร้อมหรือว่ากายกตาสติดูร่างกายเห็นเป็นของปฏิกูลอะไรแต่ใจมันไม่ยอ ม, มนะใจมันมยอมอยังดูไม่ได้มันก็ปรับใจตรงนี้เพื่ใจเข้มแข็งซะก่อนเรวค่อยว่าทีหลังว่าทีหลังคือค่อยดูค่อยพิจารณาเรื่องอื่นทีหลังให้มาสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออก เป็นวิธีทางกรรมฐานที่เรียกว่าครอบคลุมครอบคลุมจริตอัตยาสัยของคนใครจริตอะไรก็ได้เช่นว่าเป็นราคะจริตมักพอใจติดใจในสิ่งสวยงามต่างๆแล้วก็จิตสงบซะก่อนเอาจิตสงบซะก่อนใจไม่ได้ไขว่คว้าไม่ได้มองไปข้างนอกไม่ได้เหนียวนึกตรึกนึ ก, นกถึงอารมณ์ข้างนอก หรือโทสะจริตจะมองคนอื้อรัศละที่รุนแรงมันก็เอาใจมาสงบซะก่อนก็แนวคล้ายๆนหนึ่งถึงสิบนะฮะแนวคล้ายๆน้ำหนึ่งถึงสิขึ้นดึงมาในเรื่องที่มันไม่เป็นรูปไม่เป็นคนซะก่อนเพราะถ้าคนเนี่ยมันก็อดรักอดรักอดชังไม่ได้ก็มาดูที่ลมจ้ะหรือพวกโมหะจริตถึงมีความมือเลื่อนลอยเผลอเด้อเรื่อยๆไหลเอื่อยๆไป ก็ให้มาสมบุกเป็นการเสริมพลังเสริมความกระจับกระจายความกล้าหาญให้เกิดขึ้นภายในจิตผู้ศรัทธาที่เชื่องมงายมันก็ให้มาจิตสงบจสีก่อนเพื่อจิตมีฐานที่คุณจะเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อเพราะจิตเวลาสงบเนี่ยมันจะมีเหตุผลเกิดขึ้นคือสมาธิสร้างปัญญาเป็นธรรมชาติถ้าเราสังเกตเรื่องอะไรก็ตามที่มันมันมีปัญหาเราคิดไหมว่าสงบใจสักระยะหนึ่งมาคิดดูก่อน ก็แสดงว่าสมาธินั้นสร้างปัญญาแล้วก็เพื่อเกิดสมาธิก็จิตมาสงบอยู่กับลมเดีวก่อนหือลึกรู้ถึงลมหายใจบวงที่พุทธิจริตมีความคิดรุนแรงมีปัญญาเฉียบแหลมบางทีก็ฟุ้งไปนะก็มาให้สงบจ้ะเพื่อปรับเพื่อปรับอย่าให้ปัญญามันล้ำสถาหรือสถาล้ำปัญญานะฮะย้ายล้ำกัน โดยพวกวิตกเจริญก็คิดฟุงเห็นไหมฮะก็าาามาแก้ที่ตัวอนาปานสติาการเสด็จไปในสำนักของนักบวชนอกาศาสนาเป็นงานอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงทำและส่วนใหญ่นั้นจะเสด็จไปคุยนะฮะไปคุยไปเยี่ยมเยือนกันการา ม, ามแบบของนักบวช ท, ทั้งหลายเพราะจริงๆแล้วในาศาสนาพุทธเราไม่เป็นปฏิปักอะไรกับใคร นอกจากว่าเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อเราเองเราไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกันนะนะการคัมสอนนั้นจะสอนในแนวที่เราไม่ทำอย่างที่เขาทำแต่เมื่อเขาทำผิดเราก็มุ่งทั้งสองอย่างมุ่งที่จะรักษาความถูกต้องรักษาเขาด้วยรักษาธรรมะด้วยนะฮะตรงนี้จริงๆให้เราสังเกตว่ามันไม่ใช่มุ่งที่จะไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ถ้าท่านสรารพัดขืนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะท่านเองเนี่ยจะตายเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นเป็นสุนัขจิ้งจอกที่พยายามจะบันลือดุจราชสีแต่พอเสียงมันออกมันก็จับได้นะเหมือนกับลาเดียวหนังราชสีมาคลุมไว้นะฮะพอพ อ, ออกเสียงมันก็กลายเป็นลาจิตไ้แต่วันนั้นนะี่ยท่านท่านคนอื่นจะรู้สึกว่าท่านต้มเขาท่านหลบบวงเขาและท่านจะตาย ในขณะเดียวกันเหตุการณ์อย่างนี้มันมันเป็นสถานการณ์ที่ดีคือคนพุ่งเข้าหาความรู้ต้องการฟังความคิดเห็นของท่านสารพัด mm hmm. คือคนสมัยนั้นเนี่ย เ, เป็นคนอินเดียในี่เป็นชาติแปลกนะามาว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชาติพิเศษมากมากกันคือมีทุกอย่างอินเดียเนี่ยแกสามารถฟังเขาพูดเนี่ยนะฟังเป็นคืนได้เลย พูดได้แปดชั่วโมงกิสณาเมนอนพูดตรงกนพูดตรงกันชาวประชาชาตินี่แปดชั่วโมงเริร่มสีว่าการกระทรวงสเธารณสุพูดคนเดียวแปดชั่วโมงรุมพูดได้ยังไงไปเลยแล้วเวลาเขาฟังเนี่ยเขาฟังเขาฟังเด็ด ข, ขาดมาฟังตั้งใจจริงๆนะนั่งนั่งเอาผ้าผ้าเขามาในรัดเ ข, าเขา่าครับนั่ง น, นง นั่งแบธรรมดานั่งสบายสบายไปเดี๋ยวังพับพ่อพี่อะไรม้างเราแต่พวกเขาฟังได้ดีตั้งใจฟังเป็นคนสนใจใคร่เรียนใคร่รู้ตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านี้แล้วไม่อิ่มกับการฟังเพรา ะ, ะนั้นคนอินเดียพูดมากอูดมากกว่าจะพูดกันรู้เรื่องนี่พูดเยอะเป็นธรรมดาเขานะฮะเพราะว่าเป็นคนเป็นคนชอบฟังชอบคิดชอบชอบแสดงเหตุผลแต่ที่ดีก็คือเขาไม่โกรธ คือเจียงอะไรก่กลางอ่ะตากก็ตามเป็นเป็นการหาความรู้กันนั่นเองไม่ค่อยโกรธลักษณะมันแค่แคม่อยู่ในเผ่าพันธ์เขาเหมือนคนจึงแห่กันไปเป็นฝั่งตามว่าเ น, นี่เป็นแสนนะนะคนเป็นแสนเป็นการประกาศล่วงหน้าเหมือนกับท้าทายแบบยมกปติหารเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้มันมีอยู่หลายครั้งที่พระเจ้าเจอ ถ้าพระพุทธเจ้าจหลบหรือพระสงฆ์หลบไปเนี่ยนะมันจะเป็นอันตรายเจ้าหลบไปหรือพระสงฆ์หลบไปจะเป็นอันตรายคนจะหาโอในเรื่องจริงเลยเรื่องจริงก็จะไปกันใหญ่แล้วกว่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้เนี่แก้ยากเพราะแนวแนวการแก้ประปปว่าทั้งหลายเนี่ยคือเอาความจริงมาพูดเท่านั้นเองเอาความจริงเป็นยังไงสมมติว่า ที่ประเด็นสําคัญว่าในการตกเฉียงให้ลองสังเกตว่าเราต้องมีเมตรตาต่อคนต่อคนที่เราที่เราจะชี้แจงนะฮะไม่จะมุ่งที่จะไปทํำลายเขาเราดูน้าพระทัยของพระเจ้าว่าที่ไปหาสารพะดนั้นก็มุ่งสามอย่างว่าถ้าสารพัดรู้จริงก็จะยอมรับเพื่อเขาสามารถขยายผลต่อไปได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรการช่วยกันเผยแพรธรรมะถ้าความรู้นั้านยังมีส่วนบุกร่องก็จะเพิ่มเติมให้ จะเพิ่มเติมให้เพื่อให้มันมีความสมบูรณ์แล้วเธอเอาไปพูดได้ไเอาไปใช้ได้แล้วถ้าหากว่ามันผิดผิดในท่านเองก็จะผิดด้วยท่านสารภาเองมันจะผิดด้วยแล้วจะดึงคนอื่นมาผิดก็จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจแล้วท่านจะเอาไปใช้เอาไปเผยแผ่เอาไปสั่งสอนอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนั้นคือจิตคิดอนุเคราะห์แต่จะให้เกิดความถูกต้องขึ้นในเรื่องเหล่านั้นในเรื่องที่ท่านกล่าวอ้าง ไม่ได้ทำเพื่อจะหักล้างต่อสู้อะไรนะคือตารงรักษาพระสัตทับไว้แต่ว่าเวลาเรานำพ า, าศาสนามาในยุคหลังเนี่ยาเราสังเกตว่าเราไม่ได้มองประเด็นตรงนี้กันเท่าไหร่ทั้งที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนไหวที่สุดเป็นจุดเปราะบางที่สุดในเรื่องทิฏฐิพระเจ้าจะไม่ปล่อยเลยยัไม่ปล่อยไปเลยเรียกว่าเกิดเช้าก็แก้เย็นนะนะ เกิดตรงไหนก็แก้กันตรงนั้นพอรู้ปั๊บจะแก้ทันทีเลยปล่อยไม่ได้เพราะข่าวมันเข้าหูคนหรือมันไปแล้วกว่าจะแก้ได้นะมันแก้ยากคนเหล่านั้นอาจจะจำแล้วก็ไปเล่าต่อๆกันไปแล้วก็ยุ่งกันใหญ่เลยมันจะอะไ ร, รก็ได้คนนวงเนียวนวงเนียวไปสู่นะรกได้นะก็นวงเนียวไปสู่นะรกได้คือดึงดึงคนให้ออกนอกรูนอกทางไปได้ ประเด็นสำคัญใ น, ในการทำงานตรงนี้เราจะเห็นในแนวของอิทธิปาฏิหารเป็นเรื่องใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ใช้ในแวดวงที่เห็นว่าควรต้องใช้อย่างนี้ก่อนน ะ, นะแต่ไม่ใช่ตัวเนื้อหาไม่ใช่ตัวเนื้อหาของศาสนาเพราะจริงอิทธิปาฏิหารนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวคนนั้นนะเหมือนนกบินได้ บินในอากาศได้ปลาว่ายไปในน้ําได้มาบุรู้บัดเฉพาะตัวเขานะแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาวิถีชีวิตของเขานะแต่จริงๆเราก็ทําไม่ได้เราก็ทําทอย่างนั้นไม่ได้นะครับทได้บางระดับนะก็เกิดขึ้นมาจากการลอกเรียนนะนะเราจะเห็นว่าเครื่องบินไม่ได้ยึมก็เกิดมาจากอนี่แหละเกิดมาจากงกเกิดมาจากอะไรแต่ไราคิดอย่างเงี้ขยขยายความคิดออกไปเรื่อย อย่างน้อยก็ทำได้ในระดับนึแล้วก็แนวของอาเทศนาปฏิหารคือหมายความว่าตรวจสอบดูพื้นเพของคนจะติดต่อจะสื่อสารจะพูดจากันให้คนเข้าใจเนี่ยนะฮมันจะต้องสื่อกันได้มันก็เหมือนกับาตราร0อยแปดร้อยร้อเก้าแปดเก้าอเก้าเถียงก็อยู่ทุกวันนี่เดินกระบวนกระบวนกันมาเนี่ยทุกวันนี่ยังพูดกันไม่รู้เรื่องนะ มันก่อนเรามาเชิญวุฒิสมาชิกเชิญด็อกเตอร์ทางนี้มันม า, าเฉพาะเลยมานั่งบรรยายฟังแต่บทสุดท้ายเวลาเขาพูดแล้วก็ยังเถียงกันอยู่เนี่ยยังเถียงกันว่ามันมันมันอะไรกันมันมันหมายความยังไงความตัวบทมันเป็นยังไงแต่ใจเนี่ยเราก็ต้องการได้อยากรู้นี่คือเราไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ แต่บังทีก็ใช้ในแนวอะไรคล้ายๆกฎหมายเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเป่าพรวดลงไปมันจะเป็นกายสิทธิ์โดยไม่รู้ว่าจริงๆกฎหมายก็คือสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นนะมันต้องสอดคล้องกับพื้นฐานของคนจึงจะบังคับใช้ได้เพราะฉนันแนวแนวตัวนี้คือแนวอาเทศนาหมายความว่าต้องดูพื้นฐานคนต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยจะพูดกับเขายัางไง คน ม, มันมีความหลากหลายมีความหลากหลายมัน้องพูดเป็นตะข่ายลง um. ไปเลยคือพูดสี่เรื่องใหญ่ๆะพูดสี่เรื่องใหญ่คือพูดเรื่องเมตตานะแต่แทนที่จะเอาเมตตาเนี่ยไม่เอามาเอาในแนวของเมตตาเอาแต่ไม่คือไม่พูดในแนวพยาบาทไม่พูดไม่ไม่พูดเรื่องกิเลสพูดง่ายๆไม่ไม่เอาเรื่องกิเลสมาพูดแต่เอาเรื่องธรรมะนี่ขึ้นมาพูด เพื่ออะไรเพื่อให้ธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วธรรมะท ำ, าทำลายกิเลสเองคือไม่ได้พูดถึงโรคแต่พูดถึงยาพูดถึงยาเลยพอคนรับประทานยาไปมันก็แก้โรคได้เป็นวิธีเพราะอะไรเพราะถ้าพูดถึงกิเลสเนี่ยคนบางพวกจะรู้สึกว่าเขาไม่ได่าเขาเห็นไหมฮคนบางคนเช่นเราพูดถึงความพยาบาทความโกรธคนที่โกรธเขาก็เขาก็ากด่าอ้ไ อ, อ, อ, อ้ด่าเราเนี่ยวะเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่อีกละ แล้วก็พูดธรรมาเนี่ยพูดธรมะอธิบายธรรมะไปชิดๆธรรมะมันก็มีแนวเดียคือแนวชื่นชมนวะชื่นชมในองค์ธรรมหล่อนั้นพูดเรื่องเมตตาพูดเรื่องอนสติพูดเรื่องกายะตาสติมันก็ตัวอย่างก็ใกล้ๆถือแล้วพูดเรื่องลงหายใจเข้าพื้นฐานผู้ฝั่งนั้นเปราะบางหลายพวกหลายหมู่ นะแล้วก็มาแปลกแยกการมาจ้องจับผิดก็มีนะฮะแล้วก็แตกสองฝ่ายนี่ชัดแล้วก็ถ้ายิ่งมีฝ่ายที่สามคือฝ่ายเสมอนอกข้างไหนก็เอาด้วยนะมันก็มากันมันมันคตมันเยอะนั่นคือแนวเขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารทายใจคนรู้ใจคนแล้วก็ใช้อนุสาสนีคือหลากหลายในเชิงคำสอนก็ะทรงชี้แจงอธิบายไม่เกี่ยวเกาะโดยพระองค์ ไม่เห็นไหมไม่เกี่ยวกับโดยพระองค์ได้เกี่ยวกับโดยสัจธรรมสัจธรรมเมตตามันก็เป็นสัจธรรมกายกระตาสติร่างกายคนมันก็เป็นสัจธรรมมโนสติมันก็เป็นสัจธรรมลมหายใจมันก็เป็นสัจธรรมมันก็ธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับกับพระองค์ไม่ได้ยกพระองค์อะไรขึ้นมาเพราะถ้าไปปรารบพระองค์วัตถาคตอย่างนั้นวัตถาคดอย่างนี้ยุ่งละเออเริ่มเชียตัวเองเหมือนกันเนี่ยมันก็สารภามันจะพูดแบบเดียวกับสารภาไปเลย และที่ที่ไม่น่าเชื่อว่าท่านเรียบเรียงดีนะพระสูตรนี้อยู่ก่อนกาลามสูตรติดกับกาลามสูตรเลยดูต่อไปคือกาลามสูตรที่ที่เอามาพูด อ, อยู่ในติการนิบาต ท, ทังกุตรไติกายเป็นวิธีการนำสืบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ทำในแนวใดแนวหนึ่งแนวนหลักจริงๆก็คือให้ความรู้ วู้เจ้ากระทาหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แสดงคือชี้แจงธรรมะให้ผู้ฟังได้เกิดความรู้ความเข้าใจตามหลักของพุทธกิจแล้วก็กระตุ้นเร่งร้าวให้คนเกิดความพร้อมที่จะน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเห็นคุณค่าเห็นโทษเห็นความจริงเห็นคุณค่าของกุศ ล, ลธรรม ทั้งส่วนเหตุและส่วนผลเห็นโทษของอกุศลธรรมทั้งส่วนเหตุส่วนผลเห็นความจริงของธรรมชาติธรรมดาแล้วจะน้อนมนําธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิเมื่อปฏิบัติแล้วมัน ก, ก็เหมือนกันเราได้ไปเห็นภาพทิวทัศน์สวยงามได้กินของอร่อยเราก็ต้องการย้ายคนอื่นเขาได้เห็นเขาได้กินด้วยนะมัน ก, ก็เกิดไมตรา ก, กุณาต่อคนอื่น เป็นการสร้างปฏิกิริยาตามธรรมชาติขึ้นภายในจิตหมายความเราสัมผัสสิ่งดีงามแล้วเราก็ต้องการจะให้คนอื่นสัมผัสสิ่งดีงามด้วยการเผยแพร่ศานามราก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยพื้นฐานของท่านที่ได้สัมผัสผลลัพธ์นั้นด้วยตัวท่านเองแล้วก็ปรารถนาต้องการให้คนอื่นได้สัมผัส ด, ด้วยไปกายกับ พ่ะแม่ปุญาตยายที่ได้รับความสุขความสงบจากธรรมะแล้วก็ไปแนะนำสั่งสอนลูกหลานของตัวเองให้ได้รู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแต่บางคราวมันก็มีอย่างนี้คราวมีการใส่ร้ายป้ายสีของกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีทั้งหลายเราจะทำเป็นเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะฮะทำป็่เฉยๆไม่ได้ แต่บางก็มีวิธีวิธีไหนเฉยๆนะวิธีไหนอย่างยังว่าไม่ใช่แก้ทุกวิธีเราลอ ง, ส, งสังเกตอย่างวิธีที่เสด็จโกสัมพีที่นามาังนางมาคันยาจ้างคนดา่าไอลา้ล้าไอ้อุดไอ้คนโง่ไอ้ไอสัตว์นรกมันด า, นะาทั้งสิบคำนะคาหยาบๆเท่านั้นเลยทั้งสิบคาเป็นสุดออันนี้มันไม่ได้จะแก้ยังไงอ่ะไม่จะแก้ทําอะไรมันเป็นเรื่องไร้สาระมันเขาสะสมบาปเขา เขาสะสมบาปเขาเ ด, ดื้อโดยตัวเขาเองแล้วเราจะไปแก้ที่เขาก็แก้ไม่ได้แก้ที่เขาก็แก้ไม่ได้ตอนวิธีจริงๆก็คืออย่าไปเพิ่มข้อมูลให้เขาถ้าเขาด่ามาเราก็ด่าไปนะมันก็ด่ากันใหญ่เลยนะก็ปล่อยเขาด่าไปคนเดียวเราก็ไม่ต้องดา่าด่าไปด่าม า, าก็เหนื่อยเองในสุดก็ด่าได้เจ็ดวันก็เลิกด่า ก, กันไป คนรับจ้างก็เลิกรับจ้างให้คนจ้างก็สิ้นเงินไปแยะและเมนในเรื่องอะไรก็เลยก็เลิ ก, ก, เลกจ้างก็จบนั่นคือเป็นวิธีการไม่ใช่ว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะแต่วิธีนี้เป็นการอนุเคราะห์โลกนะฮะอย่างที่บอกเป็นการอนุเคราะห์โลกเพราะว่าท่านวางมาตรวิ่งใหญ่โตเลือกเกินและถ้าท่านประชุมคนได้นะท่านประชุมคนได้เนะี่ยแน่นอนท่านประชุมได้แน่นะ จะชมได้แต่แล้วก็ท่านพูดจายผิดเพี้ยนออกไปนี่มันสร้างมิจฉาทิฏฐิคนเป็นแสนแสนแล้วพวกนี้ก็นําไปเล่าต่อแล้วพวกนี้จะมาดุหมิ่นพระรันตนตรัยสร้างบาปเยอะสร้างบาปอีกเยอะเลยทรานั้นวิธีก็คือต้องรีบแก้ไขในแนวปรัปปวาิในลักษณะนี้ต้องรีบแก้ไขหลักธรรมะกับหลักรัฐศาสตร์เราจะเห็นในชัดว่าตรงนี้แน่บางอย่างก็ใช้แนวธรรมะธรรมดา หรืบางทีก็แนวปฏิกิริยาไปนะฮะเขาด่ามาเราก็แผ่เมตตาไปนะเราก็ด่ามาก็แผ่เมตตาไปหมายความเขาร้อนมาเราก็เยนินนั้นวิธีแก้เลยวิธีหนึ่งี่มั น, ม, นมันต้องเฉยวิธีเฉยก็คือวิธีเอเบรคขาวิธีเฉยเฉยแบบพวกนางมาคันยาเขาจ้างคนมาด่าเนี่ยก็แบบเฉยวิธีนี้ก็คือแบบแก้เลยนะการแก้ก็ต้องไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาปัญหามันมาจากท่านสียและ เรื่องทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่ท่นนานสารภาพเพราะงั้นต้องไปถึงจิ่นไปแก้ตรงนั้นเลยโดพูดจากันให้รู้เรื่องแต่เราจะเห็นว่าพอเอาไปจริงเนี่ยท่านสารภาพไม่มีโอกาสได้พูดเพานั่งคอตกกันแล้วนั่งคอตกกันแล้วพระพุจ้าก็รับสั่งที่แจงแสดงเป็นคนเดียวแล้วคนช่วยเป็นใครอันนี้สิ่สําคัญมากคนมาช่วยพระพุทธเจ้านั้นคือพวกนักบวชที่จ้างที่จ้างท่านท่า น, ท, านท่านสารภาพนั่นเอง เล่นงานสาระพระเจนสบักสะบอมเลยพผมกปพุยโมโอ้อ้วดไว้แย่เขาก็เสียหน้าต้อ ง, งว่าได้แนวร่วมจากเขามาเป็นแนวร่วมแต่ที่จะต้องเอาพระเราไปช่วยไม้พวกเขาช่วยเองช่วยเห็นว่าทั้งหมดที่สาระพระวา่าเนี่ยเลวไรมันทําเขาว่าไปหมาจิ้งจอกหมาในหมาบ้านเนี่ยนะหมาจิ้งจอกหมาป่ามาบ้าน ม้าจึงจอกมาป่ามาบ้านต้องการจะบรรลุเสียงเหมือนราชสีด์แต่พอเสียงเปล่งออกมาก็คือหมานั่นเองะคือม้าในคือมาบ้านะคือมาป่านั่นเองไงก็เหมือนกับไก่ตัวเมียถขันไม่ได้เป็นเนี่ยนะไก่ไก่ตัวเมียมขันไม่ได้มันต้องการจะขันขันพอพอร้องออกมามันก็กลายเป็นไก่ตัวเมียใกรใคก็รู้มันขันไม่ได้ส่วนสารพัในขณะนั้นก็มีลักษณะอย่าง คนที่ไปดุว่าท่านเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเห็นนะมฮะพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเลยเลยเจ้าไม่ได้ว่าเลยเลยแต่คนไปดุไปด่าว่าพระพุทธแลพวกคนท่านเองพวกคนท่านเองตีท่านไว้เนื้อเชื่อใจดีห้อมล้อมเป็นบริวารได้มีความมั่นใจในตัวท่านนั่นเองก็กลายเป็นคนที่ดา่าพุทธเจ้ามีแต่แสดงในแนวกรุณาธรรมนั้นไม่ได้แปดเปื้อนโดยการทะเลาะวิวาทอะไรไว้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ต่อคนอได้ไหน มันเป็นวิถีเป็นวิถีของพุทธบนเส้นทางของพุทธแต่ว่าอย่าลืมเรื่องธรรมปฏิบัติว่าวังใช้เป็นนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าใช้แนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะว่าฉันอย่างเงี้ยฉันจะอุเบกขาอย่างเงี้ยขี่มาเต็มวัดแล้วยังอุเบกขาเงี้ยไม่ได้มันมันมันก็ต้องทําอะไรนะฮะมันทําอะไรสักอย่างเพื่อให้แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ธรรมปฏิบัติจึงก็เรียกว่า เป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแล้วปฏิบัติได้ชอบยิ่งคือให้ไม่ไ ม, ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมคือตามกาละตามเทศะตามกลุ่มคนตามบุคคลตามกรณีนั้นๆแล้วจึงจะเกิดเป็นผลในทางที่ดีงาม สรารพัสูตรเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างที่ชีย่ยวเห็นถึงการทำงาน mm hmm. การเยผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าว่ามันก็น่าเจ็บใจนะว่าภาระหนักทั้งหลายในพุ่งมาที่พระเจ้าพระองค์เดียวเลยลูกศิษย์เยอะไม่ไปแก้กันมัน่งแต่ว่าปรากฏว่าลูกศิษย์ไม่มีบารมีพอที่จะแก้ตอนนั้นที่จริงภาษารบุตรมีแล้วนะภาษาิบุตรมาแล้วภาษาดิบุตรบวชแล้ว ก็ตอนต้นๆปุทธสมุมาลีเราก็อยู่ยที่กรุงราชทัศน์ประสารอบุตรบวชแล้วพ ร, ร, ระมกัลานะอะไรก็บวชแล้วแต่เขาถือว่าเรื่องนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าสำนวนบาลีเขาเรียกว่าพวงดอกไม้ที่เกิดขึ้นเฉพาะพระพุทธเจ้ามาความปัญหาเรื่องนี้คนอื่นแก้ไม่ได้ต้องมือขนาดพระพุทธเจ้าจึงขัาไปแก้ได้เป็นภาระหนักคือแบกภาระอย่างนี้มาตลอด เรื่องตรงไหนหนักศึกไหนหนักแล้วก็เสด็จลำพังโรงเดียวแต่ทุกทีนะฮะไปลำพังโรงเดียวทุกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจนงกิมานเรื่องอะไรต่อะไรจิตกรมรมฝาพผนังลาวในพูดเรื่องพญาชมพูแต่เขาเรียกเขาเรียกแปลกไอพ้พญาชมพูนี่ไม่เคยพบเลยจนเดีือนนี้นะมีแต่ตํานานเล่าแต่ว่าดูดูในบาลีเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยพญาชมพูตัวตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่มาก ที่ว่าถูกสามเณรจับแปลงเป็นช้างอะไรจับเบี่ยงไปอนะไรเนี่ยสามเณรแปลงเป็นยักษ์จับเบี่ยงจับเวียเว่ยงเยนะอเ น, นี่ยก็ตำนาณของเราอ่ะของไทยเราก็มีแต่ยังไม่เคยเจอในชั้นบาลีไม่ทราบออกมาจากไหนไเล่ากันมานานนะเล่าประมะปราเป็นเป็นเป็นรูปของของประมะปราแต่ก็แสดงถึง พุทธบา ร, รมีนะฮะพุทธบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่สังคมเพราะว่าที่ท่านมาครานั้นมาประเบียดเบียนระเ จ, เจ้าพิมพิสารไม่ใช่มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าพระพิมพิสารก็ขอพุทธบา ร, รมีก็ช่วยนะฮะพรเจาก็ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้แสดงให้เห็นว่างานอนุเคราะห์โลกในฐานะศาสดาของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นพูทธเสมอ คือมีพระไทยกรุณาเสมอกันหมดนะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นชาวพุทธเป็นภิกษุภิษุณีสําเน็จสาเน็จรีนางศิษย์ขา้ามนาวส่งปฏสิกาเท่านั้นที่จริงแม้แต่คนซึ่งตั้งตังตวเป็นปฏิปักกับพระองค์อย่างท่านสรภาภะในกรณีนี้นะตั้งตัวเป็นปฏิปักแล้วก็กลุ่มเขาทั้งหมดนั่นแหละพร่องก็ยังมีพระม า, ากรุณาแล้วเสด็จไปด้วยม า, ากรุณาคนเหล่านั้นเอง เมื่อพระเจ้าเสด็จไรที่ที่กัดฟันกอดกรอดมันก็หายหมดไปเจอจับันในหังสีเข้ามันก็งงหมดแล้วนะฮะเจอจับันรังสีเข้ามันงงหมดแล้วก็ต้อนรับอย่างดีแล้วเวลาแสดงอะไรแต่ไรมันมันมันเป็นการดึงดึงความรู้สึกอย่างเดิมเนี่พระเจ้ามีมายามนมีอะไรมายาวีอะไรจะว่าได้กล่าวหากันนี่มันก็หายออกไปจากใจได้ สมหรับวันนี้ก็ขออุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านถือ